ในการกล่าวคำนอบน้อมกราบสการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ก่อนที่จะศึกษาพระธรรมต้องมีการนอบน้อมเนยะที่บอกว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะว่าถึงแม้เราจะศึกษาพระธรรมคำสอนในหมวดใดในบทใดหรือในข้อธรรมใดก็แล้วแต่ธรรมะที่เรามาศึกษาเอามาไขาควัวเอามาปพฤติปฏิบัติกันนั่นนะเป็นธรรมะที่ พระบรมศาสดาได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธียาและพระองค์ได้แ่งตลอดฉะนั้นพระธรรมทุกหมวดทุกตอนนี่ไหมที่เรานำมาไถ่ควรนำมาสาธยายนำมาพิจารณานั้นก็ต้องรู้ว่าธรรมสามีก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะธรรมสามีในที่นั้นก็คือพระบรมศาสดาท่านเป็นเจ้าของธรรมฉะนั้นเมื่อท่านเป็นเจ้าของธรรมนั้นหมวดธรรมทุกหมวดที่เรานำมาไถ่ควรนั้นน่ะเป็นอริยทรัพย์ทั้งนั้นเลย ฉะนั้นอริยทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐกว่าที่พระบรมศาสด า, ศ า, ศาจะตัดสู้อริยทรัพย์เหล่านี้พระองค์ต้องบ่มเพนบารมีมา20ประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนมหากรฉะนั้นยาวนานมากใช่ไหมถ้าเราพิจารณาตามหมวดธรรมต่างๆเราก็จะเห็นความลึกซึ้งในหมวดธรรมตามสติปัญญาของแต่และบุคคล ฉะนั้นที่เราคิดเห็นได้นั้นเป็นเพียงเศษน้อยนิดเท่านั้นเองที่เราเข้าถึงอัจฉรสและธรรมรสของพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะในพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้านั้นน่ะมีอัฏฐะและมีพยัญชนะที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากบริสุทธิ์บริบรูรณ์สิ้นเชิงใช่ไหมแต่เราไม่สามารถจะเข้าถึงอัฏฐะเพราะมีอธิบายที่ลึกซึ้งที่ว่าถึงพร้อมได้อัฏฐะเพราะสภาวะที่ไม่มีฝั่งที่จะอย่างได้ ด้วยง่ายเมื่อถือเอาเนื้อความโดยประการอื่นก็จะม่มีการถึงพร้อมด้วยอัฏฐานั้นๆเป็นต้นส่วนคันว่าถึงพร้อมด้วยพยัญชนะก็เพราะอะไรเพราะมีบทพยัญชนะนั้นมากมายใช่ไหมทีนี้ในคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้านะนั้นอัฏฐะก็ลึกซึ้งพยัญชนะก็มีความค่อนข้างจะลึกซึ้งถึงภาวะที่จะพึงเข้าใจได้ง่ายแก่เวนัยสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ใช่เวนยชนนะหรือไม่ใช่ สัตว์ที่มีวิในแปลว่าสัตว์ที่ไมมีสังวรวิในเนาะไม่มีประหารวิในเนี่ยยากนักหนาที่จะได้ดื่มด่าอรรถธรรมรสของคําสอนของพระผู้มีพระพาทเจ้าคําว่าสัตว์นั้นต้องถึงพร้อมได้วิในก็หมายความว่าวิในมีสองอย่างใช่ไหมในกลุ่มของสังวรวิในก็คือศีลสังวรสติสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรและปัญญ า, าสังวรส่วนในด้านของวิในก็คือว่าแต่ทางข้าประหารหรือแต่ทางพระวิใน วิคำพระนวินยัยสมุเฉทเทวินยัยปฏิปสัตทิวินยัยและวก็มีสลายนาวินยัยใช่ไหมก็คือวินยัยในที่นั้นก็คือวิมุตต์นั่นเองทีนี้ถ้าบอกสีและสังวรได้ แ, แก่ปฏิโมกสังวรศีปฏิโมกสังวรศีนั้นจะสำเร็จบริบูรณ์ได้ก็ด้วยสัตถินสีหรือสัทธาเป็นประธานใช่ไหมเช่นปฏิโมกสังวรศีถ้าเป็นของพระก็คือว่าประทิกสีสังขารที่เศษสิบสามเป็นต้นศีสองรยี่สิดของพระ พิจูนีสามร้อยสิบเ็ดเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยสมเณรก็สิบแล้วก็เสกียวัตอีกเจ็ดสิบห้าบวกเข้าไปของสมณเณรนีเป็นต้นเลยนะแล้วก็ยังข้อวัดอีกมากมายแล้วถ้าของญาติยอมก็คือสีนห้าสิน 8, แปดละสีนเก้าสินสิบก็ตามสถานหน้าที่ศรัทธาของท่านบุญนั้นจัสมาทานเอาใช่ไหมทีนี้เมื่อมีสถานขจาโพธิศรัทธาแล้วเนี่ยศรัทธานั้นจะถ้าเรามีศรัทธาในพระเจ้าใช่ไม้มเราก็น้อมที่แก่ลักสิน ในการที่เอาปฏิโมกษังวอนสีหรือสีละสังวอนั้นมาใช้มาเป็นข้อในการที่จะทําให้กายกรรมวจีกรรมไม่เกินคนไม่กระจัดกระจายศีระก็เริ่มมาเพ่นพ่านอยู่ในจิตใจของศัตว์โลกได้แล้วนั่นเขาเรียกว่าศีละสังวรทีนี้สีละสังวรเนี่ยถามว่าในส่วนของจารีสีเราก็ไปพิจารณาดูใช่ไหมไปกล่าวค่อนข้างหลายาหครั้งยังไม่ว่าเราเออปพฤติในด้านจารีสีน่ะบกพร่องไหมหรือบริบูรณ์ ในฐานะทำหน้าที่กันก็คือหน้าที่ในฐานะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานญาตินี้นตลอดถึงเครือญาติทั้งหลายก็ว่ากันตามสถานะตามข้อวัดต่างๆที่พระองค์ทรงวางหลักเอาไว้นั่นในด้านของจารีใช่ไหมจารีศีลหรือในด้านของเกี่ยวกัเรื่องของวาเรศีมการอบรมศีลก็คือว่าก็มาทําศีลนั้นให้เข้มข้นขึ้นในชีวิตจริงให้ได้ก็หมายความว่าคุโศรสีลต้องเดินได้จริงใช่ไหม เช่สมาทานวิรัติมาเบ็ดเสร็จแล้วสมาทานวิรัติแข็งแรงไหมสามารถที่จะเข้ามาเคลื่อนหนุนได้ตลอดวันไหมถ้าเคกื่อนหนุนได้ตลอดวันตราลบแต่ละครั้งนั้นก็สามารถป้องกันบาปของสุรธรรมลามกไม่ให้กายกรรมที่มีการเคลื่อนออกไปแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการล่วงละเมิดสีวจีกรรมที่มีการเปล่งออกมาแต่ละครั้งนั้นน่ะมีปฏิโมกสังวานสีมคอยกํากับดูแลอย่างชัดเจนเลยเนี่ยอาชีพก็ไม่ผิดก็หมายความว่า สรุปก็ถือว่ากายกรรมวิจิกรรมแล้วก็อาชีพบริสุทธิ์กายสุจริตวิจิสุจริตใช่ไหมแล้วอาชีพก็บริสุทธิ์ด้วยถ้าเป็นไปลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าศีลหน้านหมายความว่าเป็นสมาทานังแล้วไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายไม่ทําทุจริตทางกายทางวาจาแม้จิตใจก็ไม่เศร้าหมองอันนี้เขาเรียกว่าศีลออกมาเดินได้จริงๆในชีวิตจริงๆแต่ถ้าว่าจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวเต็มไปได้วยความทุกข์กังวล บ่งบอกถึงว่าตอนนั้นมีศีลไหมคุณศุรสีลไม่มเดินก็แค่นั้นเองทีนี้คุณศุรสีลไม่เดินเพราะอะไรก็เพราะว่าในชีวิตจริงๆนั้นเราใช้ศีลไม่เป็นเอาศีลมาขับเคลื่อนในชีวิตจริงไม่เป็นไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นเป็นปัญหาแล้วที่เราท่านทั้งหลายจะต้องไปทําการบ้านใหม่เจ้าว่าว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยทําไมศีลออกมาเดินไม่ได้จริงๆในการที่เราจะเคลื่อนไหวกายกรรมออกไปถ้าถ้ามีศีกรรกลกํากับอยู่ กายกรรมต้องไม่เกลื่อนกลดต้องไม่กระจายกระจายใช่ไหมต้องไม่ทุ่มสินวจีกรรมเนี่ยเราจะเปล่งวาจาเราจะกล่าวแต่ละครั้งบวกเราใช้กุศลศีลมาคอยดูแลไหมถ้ากุศลศีลคอยดูแลกายกรรมคอยดูแลวจีกรรมและคอยตรวจสอบอาชีพให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาและจิตใจก็ไม่ซ่อมหมองอันนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าศีลเดินแล้วศีลทําหน้าที่ได้ใช่ไหมนี้ต่างหากคือคนที่ศรัทธาในพระผู้ทธมีพระภาค แนับเอาเอ า, เอาเริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้จริงจรเนะถ้าใช้ได้ไม่จริงแสดงว่าปัญหาเกิดไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ดีนะแสดงว่าเราเข้าผิดเราสมาทานผิดเนี่เราไปตั้งเราไปยึดคําว่าสมาทานเนะี่ยสมาทานก็เลยทิ้งสมาทานก็ทิ้งใช้จริงคำว่าสมาทานคือความตั้งใจในการที่จะมัดเว้นความตั้งใจในการที่จะประกอบคุณสุรศีประกอบในที่นั้นเป็นชื่อของโยนิโสมนสิการก็ได้เนาะ ก็คือมีโยนิสงฆ์และสิกขาในการที่จะปารกศีลบ่อยๆปารกุศรศีลบ่อยเข้าใจไหมขุศรศีลก็จะเดินได้จริงในชีวิตให้สังเกตดูดีคนมีขุศรศีลก็มีความสุขก็มีความสุขใจก็ไม่เศร้าหมองเพราะตัวขุศรศีลนี่ยเกิดที่ใจถึงจะมาจัดแจงดูการรกิจกรรมดูแลอาชีพให้บริสุทธิ์ได้เขาจะไม่เศร้าหมองก็จะไม่ขุนมัวถ้ายัางเศร้าหมองขุนมัวแสงดงว่าศีลไม่เดินนะเพราะศีลเป็นปฏิบัติต่อโทสะดูง่ายๆแค่ตรงนี้ก็เห็นใช่ไ ฉะนั้นถ้าโทสะเกิดขึ้นถ้าโทสะเกิดขึ้นนะถ้ากุศลศีลเรื่องเอาไม่อยู่เขาจริลเมตตาช่วยอเอาเมตตาก็ยังเอาไม่อยู่ดูอานิสงส์ของคันติคันติบา ร, รมีเขาก็ช่วยอีกไหมสีนบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีขันติบา ร, รมีสามตัวพอไหมโอ้โหถ้าจัดแจงก็แค่ถ้าโทสะไม่ได้เล่นบา ร, รมีกินบา ร, รมีไปทั้งสามข้อแล้วมีนยุ่งแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับตอนนี้ต่างหากเป็นตัวหนุเนเรื่องในการที่จะทําให้กุศลศีลนแข็งแรงขึ้น พอจะมองเห็นในตรงเนี้นะอันนี้คืออาเรียซาฟที่พระเจ้าวางหลักไว้ mm hmm. ก็หยิบออกมาใช้ให้ได้คำสอนของพระเจ้าต้องใช้ได้ในชีวิตจริงถ้าความง่วงเกิดขึ้นทําไงอา้าวถ้ า, าง่วงเกิดขึ้นทําไงจิ mm ๊บ hmm. <ะ>เลือดบางครั้งตั้งใจเข้าไปใช่ไหมตั้งใจว่าบางทีทีความง่วงเนี่ยเลยมากจะมาจากการฟังธรรมใช่ไหม ถ, ถ้ า, าง่วงเนาะเดิไม่เป็นไรนะถ้าสมมติว่าตีง่วงมากๆไม่ยืนเลยนะยืนไนดะ้บางทีก็ออกเดินเดินหลบๆมุมนะเดินช้าๆฝั่งไปด้วยไม่ผิดนะถือว่าเคาอกด้วยนะ น, น ะ, ะยืนก็ได้ใช่ไหมอันนี้วิธีแก้ได้เยอะแยะนะแต่ห้ามนอนก็ <c oughs> <c oughs> ห้ามนอนห้าอการการยืนเนี่ยไม่ถ <c oughs> ือว่าไม่เคารพเขา การเดินก็ไม่ถือว่าไม่เคารพทำเพราะเรามาสิการจะเคารพทำนั่นแหละแต่ถ้าหลับสงบถือว่าไม่เคารพทำหรอสิจ๊อยถ้าเราเลือกเป็นเราเนี่ยใช่มเพราะนั่งหลับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ถือไม่เคารพเนียแต่กิริยาเคารพเนาะแต่อย่างงั้เรียกว่าไม่เคารพเพราะไม่ได้ตั้งใจเคารพก็คือพระพุทธเจ้าตรัสนะตรัสในคําสอนที่บอกว่า การแสดงธรรมของพระบรมศาสดาเนี่ยนะเป็นการแสดงธรรมเพื่อต้องการให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้เกิดความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนี่นะพระองค์ก็จะแสดงคือในกลุ่มของบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุคติตัญยูวิปจิตัญยูในญาติปทาบรมามาทั้งหลายท่านใน ย, ยุคปัจจุบันตัดสองประเด็นออกไปอุคติกับวิปจิตออกไปเสีย เหลือในยากกับระทับุปรมาตรงนี้นะในคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสัตว์ทั้งสัพยัญชนังยังไการประกาศคือการแสดงโดยย่อชื่อว่ากสังกาสนะกาสนะก็มีความหมายว่าประกาศแสดงทําให้แจ่มแจ้งนะการแสดงโดยย่อชื่อว่าสังกาสนะเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้หมายมั่นอยู่ก็ถูกมารผูกไว้ไม่หมายมั่นก็พ้นจากมารได้เพียงถ้อยคําเพียงเท่านี้ภิกษุก็แทงตลอดด้วยเหตุนั้นเธอจึงกราบทูลเป็นที่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระเจ้าผู้เจริญท้าองค์ทรงทราบแล้วถ้าลักษณะอย่างเนี้ยถ้าคนฟังทำอย่างนี้ปแปล ว, ว่ากลุ่มอุคติันอยู่ถ้าเขาฟังว่าบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ก็ถูกมารผูกรัดไว้ ถามว่าถ้าเราหมายมั่นด้วยตัณหาหมายมั่นด้วยทิฏฐิหมายมั่นด้วยมา น, นะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่มานจะผูกรัดเราไว้ผูกมัดไหมถ้าเราไม่หมายมั่นด้วยตัณหามานนะทิฏฐิมานจะผูกมัดเราได้ไม่ได้อย่างนี้เป็นตนน้นนะะทีนี้การประกาศทีแรกเขาเรียกประกาศนะการแสดงความที่จะพึงกล่าวในภายหลังด้วยคําทีแรกเช่นในคําว่าสัพพังทิเกเวทิตังดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลาย ทุกอย่างเป็นของร้อนสิ่งทั้งพวงเป็นของร้อนนี่นะอันนั้นเชื่อประกาศสนะตาสัพท์นี้เป็นไปในอัตวะกระทาทีแรกเหมือนกับปัญญาเปติอ่ะย่อมบัญญัติกระทาให้รู้ทีแรกถ้าปัฏถเปติก็ไปเริ่มตั้งใะเริ่มตั้งก็คือว่าตั้งไว้ทีแรกเป็นต้นทีนี้ถ้าหว่าสองบทก็คือว่าสังกาสนะประกาศสนะมีสองบทใช่ไหมเล็งถึงบุคคลผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเพราะว่าตั้งพุกบท่านก็ เป็นการเปิดนิดหน่อยปัทเปตีเนี่ยคือตั้งเพรตั้งพวกก็เปิดให้เห็นเพราะเปิดให้เห็นมันรู้แะแ ล, ล้วนี่ระบากเกินเนี่ยพ่อบอกสิ่งทั้งพวงเป็นไอถ้าบอกว่าดูการพิกตัทั้งหลายบุคคลผู้หมายมั่นอยู่ก็ถูกมารผูกไว้ไม่หมายมั่นอยู่ก็ไม่ถูกมารผูกไวพ้พพูดแค่นี้ทําไมเขาบรรู้ใช่ไหมอันนี้ต้องยอมรับว่าปัญญาท่านไม่ธรรมดาจริงจริงใช่ไหม ถ้าบอกว่าอย่างเราทั้งหลายก็อย่างนี้ย่อจัดวะใช่ไหมไม่เข้าใจขอขยายใหม่ใช่มแล้วก็อย่างเราก็ต้องขอขยายทีนี้ถ้าหากว่าแสดงกล่าวเนื้อความย่อให้พิดานเขาเรียกว่าอะไรดีถ้ากล่าวมาแล้วครั้งเดียวอีกอย่างวิวรรณานี่คือการขยายส่วนคาว่าวิพัชนะนี่คือการจำแนกการขยายแล้วกัการจำแนกเอาอย่างไรเ็าเรียกว่า เนื้อความที่กล่าวไว้แต่โดยย่อใช่ไหมครั้งเดียวจะบอกกุศลธรรมาเนี่ถือว่ากล่าวย่อไหมกุศลธรรมมาเนี่ยทำที่เป็นกุศลเนี่ยย่อไหมหรือกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยพูดแค่นี้เราเข้าใจไหมไปเจริญกุศลเข้าใจไหมอ้าวย้อนสัมพัน้์าหงไปเจริญกุศล <laughs> วันนี้ไปเจริญกุศลมาอันนี้ย่อมากใช่ไหมถ้าใครเข้าใจได้สุดยอดใช่ไหมเพราะกุศลมีทั้งยี่สิบเอ็ด นี่บางคนไม่รู้เลยมียี่สิบเอ็ดเาดีใช่ไหมถ้าเป็นบุญกิจยาวัตถุศีลเป็นกุศลหมดเลยนะทานศีลภาวนาอัาิญญายนะที่แปลว่าอะไรอภิญญาณนะฮะอัิญญาณนี่แปลว่าอะไรเห็นไหมเนี่ยขนาดยังยังลำบามกันนะการประพฤติอ่อนน้องไม่อ่อนน้อมไงเป็นเป็นกุศลนะ อภิวาทานาสิยริสานิจังวุทาปัจจัยโนจตโต ด, ดมมามวัฒนติอายุโนสังบุตมีความจำเลยใช่ไหมบอกว่าการประพฤติอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมต่อผู้เจริญเลยในวุฒิคุณทั้งหลายใช่ไหมน้่นการประพฤติอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วประทำเป็นต้นแล้วนี้เนี่ยการประพฤติในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้อายุยืนเป็นเหตุถึงความเป็นผู้อายุยืนเป็นก็ ใช่ไหว่อาอภิญญนะให้สังเกตดูดิเราเจอหน้ากันแล้วก็อ่อนน้อมตามไวัยอันควรต่างๆอย่างนี้นะแต่โดยมากเราไม่ค่อยเดินด้วยกุศลหรอกมันเดินด้วยประเพณนี้ใช่ไหมเราทํากันตามประเพณนี้แล้วก็สอนเอาเจอหน้าพ่อกราบพ่อทักเจอหน้าปู่กราบปู่เนื้การหน้าย า, ายกราบไว้ยายท่านนั้นอานั้นลุกงก็วากันไปใช่ไหมก็ให้กราบกันไหแต่เคยบอกไหมลูกที่กราบไปนะวางจิดยังไง เดินจิตยังไงเนี่ยกุศลไปกุศลเดินจริงรึเป่าเพราะกราบด้วยความกลัวก็ได้รกราบด้วยความโลภ ก, ก็ได้ใช่ไหมต ร, ราบตามประเพณีก็ได้ก็คือเป็นการกราบเป็นการไหวทั้งนั้นเนี่ยเห็นไหมเราเดินกันมาอย่างนี้ตลอดนั้นอัปจายนะในทางโลกเขากับอับปจายนะในพระศาสนาคนละอย่างกราบยังไงก็จะบรรลุได้แล้ว ก็อ่อนน้อมแล้วจึงรู้ได้ก็ดูที่ข้อวัดต่างๆที่พระท่านประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันใช่ไหมครับประพฤติ ป, ปฏิบัติต่อกันและกันต่างๆเช็ดเท้าตั้งน้ําฉันน้ําใช้ดูแลเป็นเหตุแห่งการนรรุ่มองเห็นไหมเขาอบรมกายการอ่อนน้อมมีการอบรมกายเนี่ยคำว่าอบรมกายในที่นั้นก็หมายความว่าทําให้กายกรรมเนี่ยเป็นไปกับบุญกายกรรมเนี่ยเป็นไปกับกุศล นี่ไก่เขาเดินด้วยกุศลจิตน่ะลองคิดดูว่าบางคนเดินด้วยกุศลจิตที่เป็นโสมนั้น่ะถ้าดูแลพ่อแม่ลองคิดดูที่ข้อวัดต่างๆที่เดินไปเดินมาหรือที่ประพฤติปฏิบัติต่อพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเป็นต้นเนี่ยกุศลแจิตเดินน่ะใช่ไหมลองคิดดูที่ไก่จกรรมของเขาจากนอกน้อมสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะจิตของเขาเป็นไปกับกุศลเขาไม่ได้ทำด้วยความครัว่ะไม่ได้ทําด้วยความโกรธไม่ได้ทําด้วยความรักแบบตันหา แต่เขาทําโดยฐานะที่เขาจักนอบน้อมผู้มีคุณเข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลมันเดินแล้วเวลากุศลประเภทนี้เดินนะเวลาเขาจเจริญกุศลศีที่สูงกว่านั้นนะเขาจเจริญได้คล่องมาเพราะอะไรล่ะจารีสีนก็ชัดเพรอว่ารีตศีสนก็ชัดใช่ไหมว่ารีสีนี่อบรมสีนเนี่ยแล้วพอเขาจะอบรมจิตเนี่ยมันโอ้โหมันคล่องแทลวถ้าสังเกตดูเวลากลุ่มที่จะฟังสติปัฏฐานจากพระพุทธเจ้ า, านในแฟนครูรัตเนี่ย แต่ว่าสุจาริตสามเขาบอกเขาีแล้วกายสวดจารีตวจีสวจาริตและมโนสุจริตนะเขาชัดใช่ไหมนี่กายสุจาริตวจีสุจาริตมโนสวจริตเขามีอินทรียังวอนเขาดีเขาปิดบาปทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาไม่ให้บาปอาุศรธรรมละงมกมันไหลเข้าสวมทับติตเขาก็ที่มีอินทรีย์ั้งวอดีแต่ว่าปฏิโมกขังวอนศีลเขาดี ไปบอกสังวรศีพอดีเพราะจารีศีลถือเขาอบรมกายมาดีการอบรมกายมาดีก็ศรัทธานงเขาได้เจ้าไงพ้ามีตถาคตตโพธิศรัทธาชัดและถูกต้องเขาจเจริญพุทธคุณไปแล้วมายุปัจจุบันนีพุทธคุณนึกมันไม่ออกเลยเขาเจริญพุทธคุณได้พูดโทหมดเดียวหายใจเข้าพูดหายออกโทรมาพูดเลย้ายใจเข้พูดหายออกโทใช่ มันมีพวกพิดอะไรไปล้อเลยนหายใจเข้าออกเยออกเข้าเข้าเยอ อ, อกซูเลไรุกมไปใหญ่เลยทีฉะนั้นที่บอกว่ากุศลจิตตังเนี่ยนะกุกุศลธรรมทั้งหลายเป็นชนไหนสมัยใดายการลร ม, มาวาจรสธอถามว่ากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะกล่าวเพียงแค่นี้ยังไม่ได้ขยายเ้าเรียกบทตั้งบทยอบ่อถ้าท่านจะขยายเนี่ย ถ้าจะขยายโดยการจำแนกนี่นะที่ว่ามาจากคำว่าการจำแนกการขยายการการจำแนกเนี่นะเทศจำแนกทัานขยายโดยทิศดานโดยกรตั้งเลยกัตเมทธรรมากุศลายัสมิสมาเยกามาวจลังกุสลังจิตตังนี่ใช่ไหมฟังพระสวดบ่อยไหมไปงานศพใช่ไหมไปจำรู้พระสวดอะไรใช่ไหม ก็ไว้ตะพัสิปถามนี้ท่านท่านที่สวดเนี่ยคืออะไรก็จะบอกว่าธรรมะก็ไ ม, กไม่รู้บอกว่าไม่รู้อะไรก็เขาบอกว่างานสอบทั้งบดนี้ดีนะก็จนคนเลยเข้าใจกันเลยบอกเพราะนี่บดที่สวดให้ให้คนตายฟังคนไปงานสอบไม่นั่งคุยกัน คุยกันเมื่อสร็จก็ถือวัดเสร็จกินแล้วถ้กลับมามวันนี้ไปงานสอบได้บุญเยอะแล้วบุญมาฝากรับบุญกันไปหวาไดไวไหเลยลเนี่ยเป็นเป็นนี้จริงนะใช่ไหมถ้าสวาดเนีบทเนี่ยอันมาสวาดบ่อยมากกัฏเมฆธรรมมากุฏลายาสมิงสมยกามาวัจลังกุฏลังกิสสวดนี้จริงกุฏสุลธรรมทั้งหลายเป็นเช่นไหน สมเยนะสมัยใดเนาะกามาวัจลังกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นกามาวจรกุศลจิตเกิดขึ้นก็คือมาหากกุศลจิตแปดเกิดขึ้นสมัยไหนอ่ะกามาวจรกุศลจิตหรือมาหากกุศลจิตแปเกิดขึ้นก็สมัยแห่งการที่จะปารลบไงบางครั้งก็รูปานะรูปารมณังวาสัทธารมณังวาใช่ไหมปารลบรูปเป็นอารมณ์ปารลเสียงเป็นอารมณ์ปารลบกลิ um ่นเป็นอารมณ์กุศลจิตเกิดขึ้นใช่ไหม มีบางมาสมัยใดที่เราเป็นอย่างนั้นต้องไม่ชีวิตจริงเรามีทักสมัยไม่พอรูปปลารมมากระทบทางทางทางจากขุทวนนะโอ้โหกุศลจิตก็เดินค่องมากเป็นบุญตลอดเลยเห็นรูปพวกกุศลจิตเดินได้ฟังเสียงพวกกุศลจิตก็เกิดดอมกลิ่นพวกกุศลและจิตก็เกิดริมรถอาหารแต่ละครั้งไห่กุศลเดินดีเหลือเกินเดี๋ยวเบรกแล้วอยู่รู้ะนะอาหารเต็มไปหมดเนี่ยได้ดูนะ ถ้าเข้าไปประเภทที่แบบตักใหญ่เลยชอบไอตักแล้วดรินะในปากยังไม่หมดเลยอีกมือหนึ่งเตรียมตักรอแล้วเชีย่ยวเป็นกุศลหรือเป็นโลภเห็นชัดเลยยังไงเห็นชัดเลยก็คอยจ้องเันกันไว้คอยบางคนเล่นคอยสังเกตมองคนอื่นตรง น, นี้ก็หมายจ่าตรงนี้ก็ไ ว, ไว้ <laughs> ไวบางทีเที่ยวหลอกล่อคนอื่นเนี่ยอร่อยนะเชี้ไปที่อื่นก่อนเนี่ยที่ไหนได้ตรงนี้เหลือ น, น้อย เ, เ, เสร็จเสร็เลยแพนมีอยู่โลภานี่ร้ายกาจมากแพ้เป็นแบบนั้นไหมก็นี่ไงถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยต้องสังเกตว่ากูโลดจิตเดินจริงไหใช่ไหเพราะว่าในสมัยใดปารอบรูปารมตารมกันตารมลาสารลมผดถ า, ารมและธรรมรลม เ, เกิดขึ้นนะกามาวจร กามาว่าเจาริงกุศลังจิตังอ่ะกุศลกิจเกิดขึ้นนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการจําแนกระงถึงบุคคลผู้มีอินทรีย์ปานกลางเพราะเป็นเป็นคํานิเทศเป็นคําขยายนะเนี้ยความที่เปิดเผยไว้ได้ให้พิสดารเนี่ยนี่ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าหากบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน ปรากฏชัดด้ประการในข่าวเนื้อความที่ได้กล่าวไว้แล้วในครั้งแรกเนีนะก็กล่าวให้พิสดารยิ่งขึ้นขึ้ น, นไปเนี่ยนะทุกอย่างเป็นของร้อนเนี่ยนะของร้อนคืออะไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายจากักถูกเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักรขูวิญญาณเป็นของร้อนจักรูสมัมผัสเป็นของร้อนถ้ากล่าวอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกวิวรณะ์ะคือการขยายพวัตถุประสงค์ในการขยายเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้พวกเราเนี่ยเกิดความเข้าใจ พระเจ้าเนี่ยท่านแสดงธรรมท่านรู้อธัธยาศัยของสัตว์ใช่ไหมถ้ายังไม่เข้าใจท่านเจาะจนเข้าใจอ่ะท่านทะลุทะลวงให้ข้อข อ, ข อ, ขอทั้งหลายปมต่างๆนะที่มันติดขัดเนี่ยเหมือนคนที่เป็นโรคไอเลือดที่มันวิ่งไม่สะดวกเนี่ยตรงไหนมันเป็นจุดตรงไหนเป็นปมใช่ไหมที่ไปอุดไปตันเอาไว้ก็ไปกระทุงให้มันวิ่งให้สะดวกนในทรรนองอย่างนั้นพระบรมศาสดาก็ขยายเพื่อให้ศาตว์โลกนั้นน่ะตึกตามไขว้ครัวตามแล้วก็พิจารณาตามนี่เขาเรียกว่าขยาย ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าโดยความเกิดขึ้นแห่งกองกา ม, มาวจรุษผลเป็นต้นเหล่านี้ท่านขยายกุศลธรรมเนาะโดยในเป็นนิเทศบอกว่ากุศลธรรมทั้งหลายเป็นเช่ไหนสมัยใ ด, ใดการ ม, มาวจรกุษจิตเกิดขึ้นอย่างนี้นะการจะทําความจําแนกว่าสมัยนั้นย่อมเกิดบอกว่าย่อมเกิดถัดสะใช่ไหมใช่สมัยนั้นย่อมเกิดเวทนาไหม ย, ย่อมเกิดเวทนาเนี่นะ อันนั้นเชื่อว่าเป็นการจำแนกในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการขยายเพื่อความวิจิตพิสดารในการเข้าใจถึงอัฏฐะและพยัญชนะการกล่าวโดยย่อแล้วก็มาขยายแล้วก็มาจำแนกเ้าก็ทําให้ตื้นแล้วก็บญญัติไม่ใช่ธรรมดาในะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเอาจนสัตว์โลกเข้าใจและบรรลุได้คนกลุ่มที่บรรลุไม่ได้จริงๆคือกลุ่มปะทะประมารจริงๆ นอกนั้นเขาองค์เก็บเรียบหมดถ้าทําของพระพุทธเจ้านี่นะก็คิดดูว่าถ้าตั้งหัวข้อโดยโดยดโดย่อเขาว่ายกตัวอย่างนะภาษานี่นะเอาตั้งว่าภาษะถ้าบอกว่าภาษานี่นะจะตั้งยังไงดีว่าจะหาตัวอย่างตัวอย่างนี้นไม่ได้แต่สมม็ตั้งภาษาเลยนะเอาภาษาขึ้นมาตั้งบอกว่าลักษณะของภาษาใช่ไหม คือธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ขุดส ต, ตินี่คือการกระทบอารมณ์เนี่ยนะถ้าหากกลุ่มที่เข้าใจโดยย่อดได้เขาเข้าใจเลยนะเขาก็ผัสสะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคนย่อย อ, อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยท่านขยายเลยขยายว่าจากักขูดสัมผัสสะก็มีนะสัมผัสทางตาก็ ม, มีการกระทบอารมณ์ทางตาก็มีโส่ตาสัมผัสสะสัมผัสทางหูก็มีเนะี่ยท่านเริกจําแนกแล้วใช่ไหมขานาสัมผัสสะทางจมูก คิวหาสัมพัสสะทางลิ้นทวารลิ้นกายยสัมผัสสะทางทวารกายแล้วก็มโนสัมพัสสทางทวารใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะหกเกิดหมดเลยใช่ไหมอาศัยตาและลูกเกิดจากกุญญาณการประชุมต้องทำสามประการเป็นผัสสะนะเข้าใจอะไรนะเนียจำจำแนกแล้วนีนนจ่จำแนกแล้วจากผัสสะคาเดียวเนี่ยจากยอดยอดเนี่ยอะไรจำแนกแล้วแล้วก็ เพราะภาษาถ้าอาศัยเสียงอาศัยหูและเสียงเกิดโสตวิญญาณการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาไหมอาศัยจมูกและกลิ่นเกิดคานวิญญาณการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาอาศัยล <accomplishment> <ET> ิ้นและรสเกิดชิวหาวิญญาณไหมการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาอาศัยกายและโผลัดพเกิดกายวิญญาณการประชุมของธรรมสามการเป็นภาษาอาศัยใจและธรรมอารมณ์ เกิดมโนาญาณอาศัยทำสามการประชุมกันเป็นมโนสัมผัสะเห็นไหมทางตาหูจมูกลิ้นใจใจมิสัมะต่อไปขยายเล ย, เยทีนี้ที่เยิ้มผัสสะก็เป็นไปใจัยเกิดเวทนาใช่ไหมทางตาก็มีจักขูสัมผัสสชาเวทนาทางหูก็โสตสัมผัสชาเวทนาทางจมูกคานะสัมผัสสชาเวทนาทางลิ้นก็ชิวหาสัมผัสสชาเวทนาทางกายก็ กายสัมผัสชาเวทนาทางใจก็มโนสัมผัสสัชาเวทนาอย่างนไหมยังถ้าจําแนกไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะการจําแนกแล้วก็ในที่สุดจริงๆท่านขยับขยายเนี่ยนะเมนต์มาตามลำดับมันกว้างขึ้นนี่นะบางทีพูดเรื่องภาษาเขาไม่เข้าใจเนะยแต่โลกได้ ท, ทาไงอะ่ะเขาองอุปมาเลยเลยนะดี๋ยวนี้อุมาไงดีบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยขึ้นมาเลย ยกแม่โคถูกลอกหนังออกเข้าใจไหมนะเปิดหนังออกเอาไปยืนไม่ทีแจงแจงแล้วเป็นยังไงเจ็บปวดไหมเอาหนังออกหมดแล้วนะหนังของเราออกหมดแล้วนะแล้วถามว่าแม่โคตัวนั้นจะระแวกไหมว่ามีศาตว์ต่างๆบินไปบินมาจะระแวกไหม <S S S S นั่นแหละเนี่ย เ, เ, เ, เขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าอุปมาแล้วเป็นหยักยกอุปมาม า, มาแล้ว ยังไม่เข้าใจเรื่ภาษาเป็นธรรมชาติอย่างนี้นั่นแหละเราก็คือแม่โคโทีถูกฉลกหนังออกนี่นแหละที่ยังมีภาษาที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาษาทั้งหกอยู่เนี่ยนั้นภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเจ็บปวดไหมเราต้องมาเรียนเวทนานุ ป, ปัสสนาติปฐานกันเนี่ยใช่ไหมทําไมต้องมารอบรู้เวทนาทําไมต้องรอบรู้เวทนาเพราะเวทนาเป็นอะไรเวทนานั้นเป็นวิบาบใช่ไหมเวทนาเนี่เป็นวิบาก เอาลายให้ดูเดี๋ยเนี้เวทนานี่เป็นธรรมที่เกิดจากปจัจจัยนะสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเวขาเวทนานิเวทนาสามใช่ไหมท้งจักขุทวานนี่มีเวทนาเท่าไหร่สามทางโสตทวานมีเวทนาเท่าไหร่คานาทวานอีกสามทิวหาทวานอีกสามกายทวานอีกสามมโนวทวารอีกสามเป็นเวทนาเท่าไหร่สามหกสิบแปด เวทนาสิบแปดแล้วที่เกิดในเรานี่เนาะเวทนาสิบแปดใช่ไหมเวทนาที่เป็นภายใน 18, สิบแปดเวทนาที่เป็นภายนอกเป็นเท่าไรเวท น, นาที่เป็นอดีตเท่าไรสามสิบหกเวทนาที่เป็นปัจจุบันีเท่าไรสามสิบหกเวทนาที่เป็นอนาคตเท่าไล ร, รวมเบ็ดเสร็จเป็นเท่าไหร่ นั่นแหละเวทนาที่ท่านทั้งหลายต้องแบกกันเจ็ปวดไหมล่ะนี่แหละเวทนาขันหนักไหมหนักหเวทนานี่หนักเนาะเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัญหาใช่ไหมนั่นเห็นไหมลองสาวขึ้นก บ, บนยดิเวทนานั่นมาจากภาษาภาษามาจากอายตนะอายทานะมาจาก นามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากวิชาเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจายังมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจายังมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจายังมีนามรูปเป็นปัจจายังมีสราญาตนาเป็นปัจจายังมีภาษะเป็นปัจจายังมีนี่กาลังเรียนกันอยู่เนี่ยเวทนาเป็นปัจจายังมีตัณหาเป็นปัจจัยจง อุบาสิกนใจมีเพราะเป็นปัจจัยมีชาเป็นใจมีทรามรณะนาดูไหมนี่ดูไหมความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความทับแท้ใจไมยเวชนะเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเราจะวิ่งขึ้นข้างบนหรือจะวิ่งไปในอนาคตเหรอเห็นไหมอันนั้นคือกับดักที่คอยเราอยู่ คอยเราอยู่นะความโศกเนี่ยนั้นเวทนาเนี่ยจึงเป็นถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยจึงเป็นปัจจัยการที่จะมาไข้ควรเป็นต้นได้ใช่ไหมเอามาพิจรารณาดูเอาถ้าไปเชื่อมโยงในพุทธคุณนะพระเจ้าให้เอาเวทนาเนี่ยพระเจ้าต ร, รัสรู้ะไรสัมมาสัมพุทโทธเนี่ยตรัสรู้อริยสัจสี่ตรัสรู้เวทนาใช่ไหมเอาตรัสรูเสร้เวทนาหกตรัสรู้เวทนา แถลเวทนาสตัดสรุเวทนาสามถูกตัดสรุเวทนาร้อยแปดกก็คือเวทนา1เวทนา2เวทนาสเวทนาห้าเวทนาสี่เวทนาห้าเวทนาหเวทนาเจ็ดมีไหม